เข้าใจเกี่ยวกับอริยสัจสี่ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสว่าความรู้เกี่ยวกับอริยสัจสี่มีสาขั้น 1. นสัจญานความเข้าใจในความจริงเกี่ยวกับอริยสัจเช่นเข้าใจว่าอุปทานะขันห้าคือทุกข์ 2. กิจญานความเข้าใจหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติเช่นเข้าใจว่าทุกขศาสตร์เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ 3. กาตยานความเข้าใจว่าหน้าที่นั้นได้ทำสำเร็จแล้วเช่นเข้าใจว่าได้กำหนดรู้ทุกขศัตร์แล้วศัจยานในทุกขศัตร์ภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วยานได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้ว แสงสว่างได้เกิดแล้วแกตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนว่าอุปทานาคขันหานี้คืออริยสัจ ท, ที่เป็นทุกข์คำว่าทุกข์ในพระสูตรนี้หมายถึงความเกิดความแก่ความตายตลอดจนถึงอุปทานนขันห้าซึ่งเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหลายคนส่วนใหญ่มักรู้จักอุปทานนขันห้าตามคาอธิบายในหนังสือ แต่มีน้อยคนที่จะเห็นประจักษ์ด้วยประสบการณ์ของตนเองเราจึงควรมาทำความเข้าใจกันอีกครั้งว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนั้นทำอย่างไรอุปทานนักขันหมายถึงการเห็นรูปได้ยินเสียงรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือคิดนึกอารมณ์เหล่านี้เป็นทุกตามความเข้าใจของพระอริยะ แต่ปุถุชนกลับเห็นว่าเป็นสุขที่น่าปรารถนารื่นรมประกอบด้วยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมอาหารอร่อยสัมผัสที่นุ่มนวลและจินตนาการที่น่าเพลิดเพลินทั้งหมดนี้เป็นอุปทานขันธ์หรือทุกขศา์การเจริญวิปัสนาและการปฏิบัติเพื่อให้รู้เห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจึงเป็นทุกข์ที่น่ากลัวไม่ใช่สุขถาวรเมื่อพระพุทธองค์ทรงบรรลุอรหัตตมรรคได้อย่างเห็นพระนิพพานคือความดับของรูปนามว่าเป็นสุขอย่างยิ่งจึงทรงเห็นว่าอุปทานาขันเป็นทุกข์ล้วนการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ไม่ได้เกิดจากการสดับคำสอนของผู้อื่น หรือเป็นความรู้ที่เกิดจากวิธีปฏิบัติของอลาระดาบทและอุทะกะดาบทแต่เป็นการตรัสรู้ด้วยพระปัญญาที่เกิดจากการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดดังนั้นจึงทรงประกาศว่าพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทธะผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองการที่ประกาศอย่างนี้เป็นเรื่องไม่ธรรมดา เพราะในสมัยนั้นลัทธิทรมานตนเองของพวกนิกครนมีผู้เลื่อมใสามากแม้ภิกษุปัญจวคีก็เคยนิยมยกย่องการทรมานตนจึงจำเป็นที่พระพุทธองค์จะต้องประกาศการตรัสรู้ด้วยพระองค์เองมิใช่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบุคคลอื่นหรือตามตร ก, กะที่คิดค้นขึ้นเองจนในที่สุด ปัญจวคีต้องยอมจำนนด้วยเหตุผลและเชื่อว่าทรงตรัสรู้อนุตรัสัมมาสัมโพธิญาณจริงผู้ที่สามารถตรัสรู้ธรรมได้ด้วยตนเองจะมีได้เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัเจกพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนพระสาวกทั้งหลายนั้นเพียงแต่ตรัสรู้ตามด้วยการศึกษาและการปฏิบัติตามคำแนะนำสั่งสอนของพระพุทธองค์ แม้ในปัจจุบันนี้ผู้ปฏิบัติก็อาจอบรมปัญญาได้ด้วยการปฏิบัติตามคำสอนในพระสูตรต่างๆเช่นมหาสติปฐานสูตรเป็นต้นผู้ที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่กล่าวไว้ในพระสูตรย่อมสามารถรู้เห็นอุปทานขันตามเป็นจริงว่าเป็นทุกข์โดยแท้ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกปัญญาอันสูงสุดนี้ว่า จักสุยานปัญญาวิชาแสงสว่างคำทั้งห้านี้มีความหมายเหมือนกันหมายถึงปัญญาในคำพีอัตกรถาของสังยุตติกายกล่าวว่าบทว่าจักขุเป็นต้นเป็นคำวัยพ์ของปัญญาโดยแท้จริงแล้วปัญญานั่นแหละมีชื่อว่าจักสุเพราะปัญญาเป็นสภาวะเห็น ญาณเพราะเป็นสภาวะรู้ปัญญาเพราะเป็นสภาวะรู้โดยประการต่างๆวิชาเพราะเป็นสภาวะรู้แจ้งแทงตลอดแสงสว่างเพราะเป็นสภาวะทําให้เกิดความสว่างแจ่มแจ้งในคำภีร์ปฏิสัมพิธามักมีอธิบายไว้ในทรรนองเดียวกันและเพิ่มเติมว่าการใช้คําเรียกต่างๆกันนั้น เพื่อความเข้าใจของผู้ฟังหลายระดับเช่นการเปรียบปัญญาเหมือนจักสุโดยยกตัวอย่างชายที่ตาบอดมาเป็นเวลานานกลันรักษาตาให้หายดีแล้วก็จะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนผู้ปฏิบัติธรรมที่ยังไม่มีปัญญาก็เป็นเช่นคนตาบอดมักสำคัญว่าอุปทานขันเป็นสิ่งน่ารื่นรมยินดี ต่อเมื่อได้กำหนดรู้รูปนามในขณะเห็นได้ยินจนเกิดวิปัสนาญาณประจักษ์ชัดว่าสภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นซึ่งรวมเรียกว่าอุปทานนักขันนั้นแท้ที่จริงแล้วก็เป็นทุกข์ที่น่ากลัวก็เพราะมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนคนตาบอดที่หายดีแล้วเมื่อผู้ปฏิบัติได้อบรมปัญญาให้เจริญ ยิ่งขึ้นจนบรรลุโลกุตระมากแล้วก็จะรู้เห็นสภาวะธรรมที่เป็นทุกข์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นดังนั้นจึงเรียกปัญญาที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าจักสุคำว่าญาณนั้นหมายถึงสภาวะรู้คือเข้าใจมากขึ้นกว่าเดิมที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนส่วนคำว่าปัญญาในคมภีปฏิสัมพิธามัก อธิบายว่าเป็นความรู้โดยประการต่างๆคือสามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าสภาวะพองยุบกับจิตที่รู้สภาวะเป็นคนละส่วนกันความแตกต่างของเหตุและผลรูปนามเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปส่งผลให้พิจารณารู้ว่ารูปนามไม่เที่ยงเป็นทุกข์ที่น่ากลัว และเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดรูปนามเกิดดับอย่างรวดเร็วส่งผลให้เข้าใจโดยประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงรูปนามดับไปส่งผลให้เข้าใจโดยประจักษ์ว่ารูปนามไม่เที่ยงความรู้โดยแยกแยะสภาวธรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นนี้เป็นการรู้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง เหมือนมาปรากฏอยู่ต่อหน้าจึงเรียกความรู้นี้ว่าปัญญาวิชาหมายถึงความรู้แจ้งแทงตลอดไม่ควรสับสนกับคานี้กับคำว่าวิชาในวิชาทรหรือวิทยาทรคือผู้มีเวทมนต์ซึ่งเหาะเหินเดินอากาศได้วิชาในที่นี้หมายถึงปัญญาที่สามารถมองทะลุสิ่งที่ปิดบังไว้ได้ เมื่อหลายสิบปีมาแล้วในปีพุทธศักราช2481อัตมาได้มีโอกาสสนทนากับท่านเจ้าอาวาสในวัดหมู่บ้านเกิดในระหว่างสนทนาอาตมาได้พูดถึงปัญญาว่าเกิดขึ้นในขณะกำหนดรู้รูปนามในปัจจุบันขณะท่านไม่เห็นด้วยและกล่าวว่าปัญญาจะต้องเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดเท่านั้นเมื่ออัตมาถามว่า ปัญญาที่รู้แจ้งแทงตลอดนั้นต้องแทงตลอดอย่างไรท่านคิดอยู่สักครู่แล้วตอบอย่างหนักแน่นว่าปัญญาที่แทงตลอดก็คือปัญญาที่แทงตลอดปัญญาที่แทงตลอดนั้นมาจากคำบาลีว่าปฏิเวทซึ่งใกล้เคียงกับคำว่าสัมโพทยะที่อธิบายไว้แล้วในบทที่สองเหมือนกับการเปิดผ้าม่านออก ทำให้เห็นสิ่งที่อยู่หลังผ้าม่านได้ปัญญานี้สามารถมองทะลุม่านของโมหะได้ในตอนแรกคนทั่วไปมักเข้าใจว่าสภาวะเห็นได้ยินเป็นสิ่งเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนเพราะถูกม่านโมหะปิดบังไว้ต่อเมื่อวิปัสสนาญาณแก่กล้าขึ้นลักษณะที่แท้จริงของไตรลักษณ์ก็จะปรากฏชัดเจน เหมือนเปิดม่านของความหลงผิดออกคำว่าอาโลโกในวงเล็บแสงสว่างมีอธิบายไว้ในคำภีปฏิสัมพิธามักว่าเป็นสภาวะทำให้เกิดความสว่างแจ่มแจ้งแสงสว่างในที่นี้มิได้หมายถึงแสงสว่างทั่วไปที่เห็นได้ทางตาแต่เป็นแสงสว่างที่ส่องให้เห็นสภาวะธรรม ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้อย่างแจ่มแจ้งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนที่เคยอยู่ในเงามืดจะถูกแสงสว่างแห่งวิปัสสนาปัญญาและมรรคปัญญาส่องให้เห็นได้ชัดเจนการอธิบายถึงปัญญาอันยิ่งด้วยสัพ์ต่างกันถึง5าคำดังนี้มีประโยชน์เพื่อให้ผู้ฟังที่มีอัธยาศัยต่างกันเข้าใจได้ง่าย แม่อัตมาเองก็มักจะใช้คำที่มีความหมายล้ายกันแทนที่จะใช้คำคำเดียวเพื่อให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจความหมายที่ต้องการจะสื่อได้คำบาลีที่นามาอธิบายข้างต้นนี้เกี่ยวกับสัจญาณในทุกขัสสะต่อไปจะอธิบายเกี่ยวกับกิจญาณคือความเข้าใจหน้าที่ซึ่งจะต้องปฏิบัติในทุกขัสสะ กิจยานในทุกขษัตร์กิจยานที่เกี่ยวกับทุกขศัตร์มีข้อความดังนี้พิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแกตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนว่าอริยสัจคือทุกนั้นเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ พระพุทธองค์ตรัสว่าทุกขศัสตร์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้และกิจยานเกี่ยวกับทุกขศัสตร์ก็คือการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างถูกต้องดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะบรรลุมรรคผลจำเป็นจะต้องกำหนดรู้ทุกขศัสตร์มีชาติทุกข์เป็นต้นไปจนถึงอุปทานขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกที่สาคัญที่สุด ที่จริงแล้วทุกขศาสตร์รวมลงในอุปทานนขันห้ากำหนดรู้อุปทานนขันตามความเป็นจริงจึงเป็นการกําหนดรู้ทุกขศัตร์นั่นแหละดังพระพุทธวจนะว่าภิกษุทั้งหลายอะไรคืออริยสัจที่เป็นทุกข์พึงกล่าวว่าเป็นอุปทานนขันห้าในบทที่4ได้อธิบายเรื่องอุปทานนขันห้าอย่างละเอียดมาแล้ว เราโดยสรุปว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางทาวารหกในขณะเห็นได้ยินเป็นต้นเป็นส่วนหนึ่งของอุปทานขันห้าดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงควรกำหนดรู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นทางทาวารทั้งหกจนประจกักษ์ชัดในภาวะของปฐวีธาตุที่มีลักษณะแข็งอ่อนอาโปธาตุที่มีลักษณะไหลเกาะกลุม เตโชธาต์ที่มีลักษณะเย็นร้อนวายโยธาต์ที่มีลักษณะหย่อนตึงสภาวะของธาตุทั้งสี่เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องกำหนดรู้ตามความเป็นจริงจากประสบการณ์ในการปฏิบัติโดยรู้เห็นว่ามีเพียงสภาวะของธาตุล้วนๆไม่มีรูปร่างสันฐานของร่างกายส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้สภาวะธรรมที่ปรากฏทางทวารทั้งหกในปัจจุบันขณะสภาวะของธาตุแต่ละอย่างย่อมปรากฏชัดตามสมควรหลังจากผู้ปฏิบัติธรรมได้รู้เห็นสภาวะของธาตุทั้งสี่อันเป็นรูปหยาบแล้วต่อมารูปละเอียดอื่นๆก็จะปรากฏคือในขณะกาหนดว่าเห็นหนอ ได้ยินหนอรูปอันเป็นที่ตั้งของการเห็นหรือการได้ยินและอารมณ์ที่ถูกรู้คือสีและเสียงย่อมมาปรากฏอีกทั้งนา ม, มขันอันได้แก่จิตและเจตสิกก็ปรากฏเช่นกันหลังจากนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดรู้สภาวะพองยุบนั่งเป็นต้น ก็จะรู้เห็นสภาวะเกิดดับของอารมณ์ที่ถูกรู้และจิตที่รับรู้ผู้ปฏิบัตินั้นย่อมเข้าใจชัดในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของรูปนามที่มีความเกิดดับอยู่เป็นธรรมดาและเป็นไปตามเหตุปัจจัยการเห็นประจักษ์ความเกิดดับของสภาวะธรรมจนเข้าใจความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนนี้คือการรู้จักทุกขศัสตร์ที่เรียกว่าปริญญ ย, ยะอย่างทองแท้พระผู้มีพระภาคตรัสสรู้ด้วยพระองค์เองว่าทุกขศัสตร์คืออุปทานขันห้าควรกำหนดรู้โดยลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นต้นจึงตรัสไว้ในพระสูตรนี้ว่าดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้ว แต่ตาคาคในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนในวงเล็บปุบเพอนุสเตสุธรมเมสุจักขุงอุทธปาทิส่วนพระโกนทัญญาและพระสาวกองค์อื่นๆนั้นเพียงแต่ตรัสรู้ตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หรือจากสาวกองค์อื่นๆ ท่านเหล่านั้นจึงจัดเป็นอนุพุท ธ, ธะคือผู้รู้ตามไม่ใช่สัมมาสัมพุท ธ, ธะผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองแม้ในพระสูตรจะกล่าวไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าทุขัสสัดเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้แต่มีบางคนในปัจจุบันกล่าวว่าไม่จำเป็นจะต้องกาหนดรู้ทุคัสสัดเพราะเห็นว่าการเรียนเกี่ยวกับรูปนาม อนิจจังทุกขังและอนัตตาจากหนังสือหรือคําอธิบายของครูอาจารย์ก็เป็นการเพียงพอแล้วความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นผิดที่ทำให้พลาดโอกาสบรรลุธรรมอย่างน่าเสียดายสรุปความว่ากิจยานคือการเข้าใจในทุกขัสั์ได้แก่อุปทานนขันห์5อย่างท่องแท้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติด้วยการกาหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบัน ที่มาปรากฏทางทวาร6เพื่อให้รู้ธรรมชาติที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนของขันหผู้ปฏิบัติธรรมสมควรเรียนรู้วิธีการปฏิบัติจากการแนะนำของวิปัสสนาจารย์ว่าเมื่ออารมณ์ใดปรากฏชัดก็ให้กำหนดอารมณ์นั้นในขณะเริ่มปฏิบัติอาจไม่แน่ใจว่าควรจะเลือกกำหนดอารมณ์ไหนแต่เมื่อความชนานาญเพิ่มขึ้น ก็จะค่อยๆเข้าใจได้เองและรู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้กำหนดรู้เท่าทันทุกขศาสตร์ความเข้าใจว่าทุกขศาสตร์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้นี้เป็นกิจจยานจัดเป็นยานที่เกิดก่อนการบรรลุโลกุตระมัก กัตายานในทุกขสัตว์กัตายานที่เกี่ยวกับทุกขสัตว์มีข้อความดังนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วญาณได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแก่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้กําหนดรู้อริยสัจคือทุกนั้นแล้ว การกำหนดรู้ทุกขสัต์ด้วยการเฝ้าดูสภาวะธรรมที่มาปรากฏทางทวารหกและการรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนของขันห้าจัดเป็นวิปัสสนาปัญญาแต่วิปัสสนาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสำเร็จกิจของการกำหนดรู้ทุกขสัตว์อย่างสมบูรณ์ได้ในวงเล็บปริญญาเพราะเมื่อใดก็ตาม ที่ผู้ปฏิบัติธรรมขาดสติกำหนดรู้ก็อาจเข้าใจผิดว่าอารมณ์ที่พบเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้เป็นสุขที่น่าปรารถนาและเป็นตัวตนวิปัสนาปัญญาจะต้องมีการพัฒนาจนกระทั่งบรรลุโลกุตระรมักที่รับเอานิพพานซึ่งมีสภาพดับรูปนามเป็นอารมณ์จึงจะเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ แม้กระนั้นก็ตามปัญญาในขั้นโสดาปติมัค ก, ก็ยังไม่เพียงพอปัญญาที่จะทำหน้าที่กตยานอย่างสมบูรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นปัญญาขั้นอรหัตตมัคจึงจะกำหนดรู้ทุกขสัตว์อย่างทองแท้พระผู้มีพระภาคทรงสาเร็จกตยานเกี่ยวกับทุกขสัตว์เมื่อทรงบรรลุอรหัตตมัคพระองค์จึงทรงประกาศว่า ทรงเข้าใจทุกขสัตว์อย่างสมบูรณ์กิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นที่ต้องทำในเรื่องนี้ไม่มีผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายจะเข้าไปในทุกขสัตว์อย่างถูกต้องเพื่อบรรลุอรหัตผลในที่สุดกล่าวโดยสรุปยานสามที่เกี่ยวกับทุกขสัตว์คือ 1. สัจจยานการรู้เห็นรูปนามทั้งหมดที่เกิดดับ อย่างต่อเนื่องทางทวารหกว่าเป็นทุกข์ที่ไร้แก่นสารสองกิจจยานการรู้ว่าทุขัสสั์เป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ 3. กตยานการพิจารณารู้ว่าได้กําหนดรู้ทุกขัสสั์อย่างสมบูรณ์แล้วในยานทั้งสามนี้สัจยานเกิดในขณะเจริญวิปัสสนาที่รู้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข ไม่ใช่ตัวตนของสภาวาธรรมที่ปรากฏทางทวารทั้งหกเป็นยานที่เกิดกอดการบรรลุโลกุตระมกักแม้ในขณะปัจจุบันโลกุตระมักยังอย่างเห็นความสงบแห่งพระนิพพานก็จะทำให้เข้าใจว่าสภาวาธรรมที่เกิดดับทุกอย่างล้วนเป็นทุกข์และหลังจากการบรรลุโลกุตระมักแล้วสัจญาณเกิดขึ้นในขณะทบทวน ด้วยปัจเจเวคขณะยานดังนั้นสัจญาณจึงเป็นปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจส์่ทั้งก่อนหลังและขณะกำลังบรรลุโลกุตระมักกล่าวคือในขณะที่เข้าถึงนี่โรธัสัต์กิจที่ควรกำหนดรู้ว่ารูปนามเป็นทุกขสัตต์ก็เป็นอันสำเร็จดังนั้นเมื่อพระอริยบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะพระอาหารหันต์บรรลุมรคผลแล้วย่อมพิจารณารู้ด้วยปัจจเวคขณะยานว่ารูปนามเป็นทุกข์จึงเรียกได้ว่าหน้าที่ของปฏิเวทที่รู้ธรรมชาติของทุกข์อย่างถูกต้องต้องเป็นอันสําเร็จในขณะบรรลุมรคและในขณะเจริญวิปัสนาปัญญาที่กําหนดรู้ทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นในขณะรู้เท่าทันความเกิดดับของรูปนามทั้งหมดนี้ เป็นการเข้าใจทุกขสัตว์อย่างถูกต้องในวงเล็บปริญญาปฏิเวทความจริงแล้วนิโรธสัตว์เป็นสัจจะอย่างเดียวที่สำเร็จโดยเป็นอารมณ์ของโลกุตระมักส่วนสัจจะอื่นไม่ใช่สิ่งที่มรกรับรู้โดยตรงเหมือนนิโรธสัตว์แต่สำเร็จโดยปริญญาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการกาหนดรู้ในวงเล็บ หมายถึงทุกขสัตว์ปหาณาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการละในวงเล็บหมายถึงสมุทยัทยสัตว์และภาวนาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการอบรมในวงเล็บหมายถึงมรรคสัต์กิจยานคือปัญญาที่รู้ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อที่จะเข้าใจทุกขสัต์อย่างถูกต้องนั้น ก็ต้องมีมาก่อนการบรรลุโลกุตระมักด้วยเพราะการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นจะทำไม่ได้โดยที่มีได้เรียนวิธีปฏิบัติมาก่อนหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจก่อนว่าต้องกําหนดรู้สภาวะธรรมรูปนามที่ปรากฏในแต่ละขณะซึ่งมีสภาวะเห็นเป็นต้นเพื่อให้รู้เห็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นต้น เมื่อปฏิบัติไปอย่างนี้วิปัสสนาก็จะค่อยๆพัฒนาเต็มที่จนกระทั่งบรรลุโลกุตระมักส่วนสมุทยาสัตว์นิโรธาสัตว์และมักคสัต์นั้นผู้ปฏิบัติก็จำต้องรู้หน้าที่ซึ่งจะต้องทำเกี่ยวกับสัจจะแต่ละอย่างเช่นเดียวกันมิฉนั้นจะไม่สามารถพัฒนามักให้เจริญได้ ดังนั้นความรู้เกี่ยวกับกิจที่ควรทำในอริยสัจสีก่อนการบรรลุมรคนั้นก็คือผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจว่าควรกำหนดรู้ทุกและสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งและทำมรคให้เจริญเหล่านี้คือกิจยานที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่ปัญญาที่รู้ว่ากิจที่ควรทำในอริยสัจสี่ ได้กระทําสําเร็จแล้วจะเกิดหลังจากการบรรลุอรหัตตผลเมื่อปัจจเวคขณะยานพิจารณาทบทวนว่าหยุดจบพรหมจันทร์คือโลกุตระมักแล้วกิจที่ควรทําได้ทําแล้วไม่ต้องทํากิจอื่นเพื่อกําจัดกิเลสอีกจึงเป็นกตายานคือยานที่รู้ว่าสิ่งที่ควรทําได้ทําสําเร็จแล้ว ความจริงแล้วในขณะบรรลุอรหัตผลนั้นผู้ปฏิบัติธรรมรับเอานิโรธศาสตร์เป็นอารมณ์ด้วยอรหัตมรักโดยตรงทั้งนับว่าได้ทำกิจสามอย่างที่เหลือคือการกำหนดรู้ทุกการละสมุ ท, ทยัยและการอบรมมรักดังข้อความที่กล่าวถึงการพิจารณาทบทวนของพระอรหันในพระสูตร ต, ต่างๆว่า เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วปัญญารู้เห็นว่าได้หลุดพ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นเธอรู้แจ้งว่าชาติสิ้นแล้วหยุดจบประมจันแล้วทำกิจที่ควรทำแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นเช่นนี้คือการกำจัดกิเลสคำอธิบายข้างต้นเป็นสัจญานกิจยานและกะตายานที่เกี่ยวกับทุกขสัต์ ต่อไปจะกล่าวถึงยานสามที่เกี่ยวกับสมุทยัยศาสตร์ยานสามในสมุทยัยศาสตร์สัจญานที่เกี่ยวกับสมุทยัยศาสตร์มีข้อความดังนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วยานได้เกิดแล้ว ปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแกตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสะดับมาก่อนว่าตัณหานี้คืออริยสัจที่เป็นเหตุแห่งทุกข์สมุทยะสัจคือกามตัณหาภวะตัณหาและวิภวัตัณหาที่ได้อธิบายไว้แล้วในบทก่อนตัณหานั้นก่อให้เกิดทุกข์ เพราะตัณหาเพลิดเพลินในการมคุณที่น่าพอใจจึงพยายามทํากรรมดีและกรรมชั่วเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการบางคนต้องการพบความทุกข์ทรมานหรือต้องการเอาชีวิตเข้าแลกในขณะสแสวงหาเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาการสแสวงหาสิ่งที่ได้มาโดยยากก็เป็นทุกข์การดูแลรักษาสิ่งที่ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ แม้ความพยายามที่จะระ ง, งับความอยากก็ก่อให้เกิดความทุกข์ใจคนที่ติดบุหรีหรือสุราจะรู้สึกเป็นทุกข์เมื่อไม่ได้สิ่งเหล่านี้มาสนองความต้องการคนหนุ่มที่ยังโสดเป็นสุขเพราะไม่มีห่วงผูกคอแต่พออายุมากขึ้นก็รู้สึกว่าวเวอยากมีคู่ครองถ้าหาคนที่พอใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์ แม้จะให้ได้คนที่ถูกใจมาเป็นภรยาเมื่ออยู่กันนานเข้าก็อาจเกิดเรื่องละหองและแหงกันหรือฝ่ายหนึ่งอาจเจ็บไข้ได้ป่วยการพยาบาลดูแลคนป่วยก็เป็นความทุกข์ยากลำบากในที่สุดเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตายจากไปผู้อยู่ข้างหลังก็เศร้าโศกอะไรอววรจะเห็นได้ว่าความทุกข์เหล่านี้ เกิดเพราะตัณหาทั้งสิ้นคนส่วนมากมักหลงผิดว่าตัณหาทําให้เป็นสุขจึงเห็นว่าการได้รับอารมณ์ที่น่าเพลิดเพลินเป็นความสุขเมื่อไม่มีสิ่งที่มากระตุ้นให้เกิดตัณหาก็จะรู้สึกว่าชีวิตจืดชืดไม่มีรสชาติการเข้าวัดฟังธรรมเป็นสิ่งที่น่าเบือ่อการปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดแต่การไปเที่ยวดูหนังสือ ดูละครเป็นความบันเทิงใจคนทั่วไปจึงขวนขวายเพื่อบำรุงบำเรอตัณหาที่เข้าใจว่านําสุขมาให้ความเข้าใจอย่างนี้เกิดจากอวิชชาปิดบังความจริงไว้โดยทําให้หลงผิดว่าเป็นสุขที่จริงแล้วสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าเป็นความสุขเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งนักเพราะความสุขเช่นนั้นไม่ยั่งยืน เมื่อได้สิ่งที่ต้องการมาแล้วชื่นชมอยู่ได้ไม่นานก็ชินชาอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกทุกคนจึงมักดิ้นรนสแสวงหาวัตถุกรรมมาบำรุงบำเรอความสุขอยู่เรื่อยไปหากเมื่อใดสิ่งเหล่านี้หมดไปก็จะเกิดความหงุดหงิดกรธกระายทุกเหล่านี้เกิดจากตัณหาทั้งสิ้นทุกที่เกิดจากตัณหาอย่างแท้จริงคือการก่อให้เกิดพบใหม่ อยู่เรื่อยไปเพราะตัณหาทําให้พอใจในรูปและเสียงเป็นต้นจึงเกิดความยึดมั่นในอารมณ์ที่น่าพอใจนั้นและเพราะความยึดมั่นจึงทําให้บุคคลทํากรรมต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งอารมณ์ที่ต้องการนี้เป็นการก่อสังขารและกรรมพบนอกจากนั้นชวนาจิตในเวลาใกล้เสียชีวิตที่เรียกว่า อภิสังขารวิญญาณซึ่งถูกตัณหาปรุงแต่งและมีกรรมที่ทําไว้ด้วยตัณหาจึงเป็นปัใจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณต่อจากจุติจิตในทันทีและเมื่อเกิดปฏิสนธิวิญญาณในพบใหม่ความทุกข์ทั้งหลายที่เป็นผลพวงจากการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นทันทีทั้งหมดนี้ ก็เป็นสาเหตุมาจากตัณหาเท่านั้นพระอรหันต์ผู้ละกิเลสได้หมดแล้วไม่ต้องพบกับความทุกข์ในพบใหม่อีกเพราะท่านกำจัดเหตุที่ทำให้เกิดใหม่ได้บางคนที่ปรารถนารูปประภูมิและอรูปปภูมิด้วยการเจริญรูปฌานและอรูปฌานจะได้ไปเกิดใหม่ ในรูปภพและอรูปภพหลุดพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจและก็มีชีวิตยืนยาวหลายกับชาวโลกทั่วไปอาจเห็นว่าพรหมมีชีวิตที่เป็นสุขแต่ในที่สุดพรหมก็จุติมาเกิดใหม่ในภพที่มีความทุกข์รออยู่ดังนั้นความพอใจโดยเห็นว่าภพเที่ยงในวงเล็บภาวะตัญหา ก็เป็นเหตุของทุกข์ด้วยความพอใจโดยเห็นว่าพบคาศูนในวงเล็บวิภวะตันหาก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเป็นเหตุให้คนทําความชั่วผู้ที่เชื่อในอุดเชตทธธิฏฐิมักไม่กลัวบาปเพราะคิดว่าพบขาศูนจึงทําทุกวิถีทางที่จะหาความสุขในชาตินี้ดังนั้น กรรมชั่วที่ทำไว้จะนำให้ไปเกิดในทุกขติภูมิวิภวะตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าตัณหาทั้งสามประเภทเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปัญญาที่รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กล่าวอีกในหนึ่งคือปัญญาทำหน้าที่รู้สมุทยัยชื่อว่าสัจญานย่อมเกิดขึ้น ทั้งในขณะก่อนและหลังบรรลุโลกุตระมักส่วนในขณะบรรลุมักสัจจยานทาหน้าที่รู้สมุทยัยโดยการสละปล่อยวางและไม่พันผัวซึ่งเรียกว่าปหานาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการละ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 ปัญญาที่รู้ว่าสมุทัยเป็นธรรมที่ควรละเรียกว่ากิจยานจะต้องมีมาก่อนการบรรลุโลกุตระมัคเพราะกิจยานเป็นความรู้เบื้องต้นว่าธรรมใดควรรู้ธรรมใดควรละธรรมใดควรทําให้แจ้งและธรรมใดควรทําให้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าผู้ที่ต้องการจะพ้นไปจากความทุกข์ ต้องละสมุทรไทยคืนตันหาก่อนเช่นเดียวกับการรักษาโรคที่ต้องกำจัดสมุทรฐานของโรคด้วยการให้ยาที่ตรงกับโรคนั้นสมุทรฐานของโรคตามวิธีรักษาของแพทย์แผนโบราณคือเลือดลมน้ำดีเสมหะอุณหภูมิและอาหารเป็นต้นส่วนแพทย์ชาวตะวันตกวินิจฉัยโรคโดยตรวจหาเชื้อโรคที่ทาให้ป่วย เมื่อพบสมุดฐานของโรคแล้วก็จะสามารถรักษาได้อย่างถูกต้องความทุกข์ที่เนื่องมาจากความเกิดก็เช่นเดียวกันจะรักษาให้หายได้ด้วยการกำจัดที่ต้นเหตุคือตันหาดังนั้นสมุทัยจึงเป็นธรรมที่ควรละหรือปหาตับพธรรมก่อนอื่นเราต้องรู้จักวิธีดับตันหาที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทุกคนอาจอยากรักษาจิตให้ปลอดโปรง่งไม่มีตัณหาเข้ามารบกวนแต่ทำอย่างนั้นไม่ได้เพราะมักจะอยากรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยอยากร่ำรวยมีเงินทองคนติดบุหรี่อยากจะสูบบุหรี่คนมีครอบครัวก็รักครอบครัวของตนเป็นต้นความอยากเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถสลัดทิ้งหรือเมินเฉยได้ง่าย แต่ก็ควรพยายามกำจัดไปให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ปัญหาที่ควรกำจัดมีสามอย่าง 1. ตปัญหาที่เป็นเหตุให้ทำกรรมทางกายและวาจา 2. ตปัญหาที่เป็นความเพลิดเพลินทางใจ 3. ปัญหาที่นอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตรอเวลาและโอกาสอํานวยจึงจะปรากฏให้เห็นปัญหาอย่างที่หนึ่งเรียกว่าวีติกกรมะกิเลสคือกิเลส ท, ที่ล่วงละเมิดทางกายและวาจากำจัดได้ด้วยการรักษาศีลบุคคลที่มีศีลบริสุทธิ์ย่อมไม่ลักขโมยของคนอื่นแม้จะอยากได้ ไม่ประพฤติผิดในกามไม่กล่าวเทศไม่ดื่มสุราเป็นต้นการรักษาศีลจึงเป็นการกำจัดวีติกรมะกิเลสตันหาอย่างที่สองเรียกว่าปริยุท ธ, ธานกิเลสคือกิเลตที่ฟูขึ้นมาในใจกำจัดได้ด้วยสมาธิผู้ปฏิบัติธรรมที่มีจิตตั้งมั่นในอารมณ์กรรมฐานเช่น ลมหายใจเข้าออกจะไม่ฟุ้งซ่านพอใจในการมคุณแต่ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นก็จะคิดไปในการมคุณและวิธีที่จะสนองความอยากที่จริงแล้วแม้ขณะที่กำลังเจริญสมาธิอยู่นั้นหากกำลังของสมาธิยังไม่แก่กล้าตัญหาที่ต้องการกรรมคุณก็ยังแทรกเข้ามาได้ตลอดเวลา ปริยุตตฐานกิเลสนี้จะถูกข่มไว้ได้ชั่วคราวในขณะตั้งอยู่ในฌานเท่านั้นเป็นการละชั่วคราวด้วยวิธีโดยวิคัมพณะปหานะคือละด้วยการข่มไว้อันหนึ่งบุคคลที่ได้ฌานบางคนยังไม่อาจละภวะตัญหาและวิภวตัญหาได้แม้กระทั่งพรหมบางตน ที่ยังมีตัณหาทั้งสองอย่างนี้อยู่ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนธรรมดาซึ่งไม่ได้บรรลุฌานจะพยายามละตัณหาสองอย่างนี้เขาไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตนมีความพอใจในอัตภาพและชีวิตของตนตัณหาอย่างที่สามเรียกว่าอนุัยกิเลสคือกิเลสที่นอนเนื่องเป็นกิเลสที่อาจเกิดขึ้น เมื่อได้เหตุปัจจัยที่เหมาะสมแบ่งเป็นสองอย่างคืออารมณพนานุสัยและสันตนานุสัยอารมณนานุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในอารมณ์ที่มิได้กําหนดรู้เป็นกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีการกําหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตน โดยเป็นกิเลส ท, ที่หวนคิดถึงอารมณ์เหล่านั้นในภายหลังถูกกำจัดได้ด้วยวิปัสนาโดยละอนุสัยที่อาจเกิดขึ้นในอารมณ์ที่กำหนดรู้เท่าทันแต่อนุสัยในอารมณ์ที่ไม่ได้กำหนดรู้จะยังไม่ถูกกำจัดไปสันตนาอนุสัยคืออนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตเป็นกิเลส ท, ที่คอยโอกาสจะผุดขึ้นมา เมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมสามารถละได้ด้วยโลกุตระมักเท่านั้นเราจึงจำเป็นจะต้องเจริญวิปัสนาเพื่อให้บรรลุมักอันจะส่งผลให้ละอนุสัยกิเลสประเภทนี้ได้แม้เรื่องอนุสัยกิเลสที่พบโดยตรงในพระสุตตันตปิฎกและอภิธรรมปิฎกบางคนยังกล่าวว่า กิเลสไม่ใช่สิ่งนอนเนื่องอยู่ในกระแสจิตแต่เกิดจากความยึดมั่นการกล่าวเช่นนี้ไม่ถูกต้องตัวอย่างเช่นเด็กทารกที่ร่างกายยังไม่เจริญเต็มที่ยังไม่มีความต้องการทางเพศมิใช่เพราะไม่มีกิเลสแต่เป็นเพราะเวลาและเหตุปัจจัยยังไม่พร้อมต่อเมื่อเจริญวัยเป็นหนุ่มสาวแล้ว เพียงได้ยินเสียงหรือเห็นเพศตรงข้ามก็อาจเกิดความต้องการทางเพศตามธรรมชาติมิใช่เพราะความยึดมั่นจากการเห็นหรือได้ยินแต่เป็นเพราะร่างกายที่เจริญเติบโตขึ้นเป็นปัจจัยที่เหมาะสมให้กิเลสปรากฏออกมานอกจากนั้นแล้วบางคนที่เคยมีศรัทธาอย่างแน่นแฟน้นในพระรัตนตรัย ต่อมาถูกผู้สอนศาสนาอื่นชักนำทำให้มีความสงสัยในพระรัตนตรยัยบางคนอาจเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้ารีดศาสนาอื่นเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าวิจิกิจฉาและทิฏฐิที่นอนเนื่องอยู่ในจิตยังไม่ได้ถูกมักกำจัดให้หมดสิ้นไปจึงมักปรากฏขึ้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสม ไม่ใช่เกิดจากยึดมั่นในปัจจุบันพระอริยบุคคลในสมัยพุทธกาลได้ละทิฏฐิและวิจิกิจชา้าอย่างเด็ดขาดแล้วโดยโสดาปติมัคจึงมีศรัทธาในพระละตัตนตรัยอย่างไม่คลอนแคลนท่านไม่ถูกเดียร์ถีในลัทธิอื่นชักชวนให้เปลี่ยนใจแม้เทวดาหรือมารก็ทำให้เปลี่ยนใจไม่ได้ ทั้งนี้เพราะสันตนานุัยได้ถูกละด้วยโลกุตระมักเป็นสมุดเฉทปหานะคือละได้โดยเด็ดขาดด้วยเหตุดังกล่าวจึงควรเข้าใจว่าอนุัยเป็นกิเลส ท, ที่คอยโอกาสและปัจจัยที่เหมาะสมจึงจะปรากฏให้เห็นและตัณหาที่เป็นต้นเหตุที่แท้จริงของความทุกข์เป็นธรรมที่ควรกําจัดให้หมดไปด้วยโลกุตระมัก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 แสงสว่างได้เกิดแล้วแต่ตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้ละอริยสัจคือทุกขสมุทายนั้นแล้วข้อความนี้แสดงถึงการเกิดปัจเจเวกขณะยานที่พิจารณาทบทวนว่าได้ละตัณหาทั้งหมดด้วยอรหัตตมักกล่าวคือในการบรรลุมักแต่ละครั้งนั้นตัณหาจะถูกละไปตามลำดับ คือโสดาปฏิมักละตัญหาที่ส่งผลให้ไปเกิดในทุกคติสกทาคามิมักละกามฉันทะอย่างยาบอนาคามิมักละกามฉันทะอย่างละเอียดทั้งหมดและอรหัตมักละตัญหาที่เหลือทั้งหมดการละตัญหานี้จัดเป็นปหาน้าปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการละ กาตยานเป็นปัญญาที่รู้ว่าได้ทากิจที่ควรทาเสร็จแล้วเป็นสิ่งสำคัญเพราะจุดมุ่งหมายของการปฏิบัตินั้นเป็นไปเพื่อการละตัณหาและกิเลสอื่นทั้งหมดการละตัณหาและกิเลสอื่นทั้งหมดเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าได้บรรลุธรรมและประทมกิจในอรยิยสัจเสร็จสิ้นแล้วผู้ปฏิบัติธรรมจึงจาเป็นต้องพิจารณาตนเองว่า ได้หลุดพ้นกิเลสตัณหาเพียงใดเช่นผู้บรรลุเป็นพระโสดาบันจะต้องไม่มีความอยากที่หนุนนำให้ทำบาปอันจะส่งผลให้เกิดในทุกขิเภูมิไม่มีความอยากที่ทำให้ละเมิดศีลห้าอีกทั้งไม่มีความอยากซึ่งประกอบด้วยสักยทิฏฐิที่เห็นผิดว่ามีตัวตนหากพบว่ายังละตัณหาเหล่านั้นไม่ได้ ก็ไม่ควรอ้างว่าได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเนื้อหาที่บรรยายมาแล้วนี้เป็นสัจยานกิจจยานและกะตตยานที่เกี่ยวกับสมุทัยสัตต์ต่อไปจะได้กล่าวถึงยานสามที่เกี่ยวกับนิโรธาสัต์ ยานสานายนิโรธสัตย์สัจญานที่เกี่ยวกับนิโรธสัตย์มีข้อความดังนี้ภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วยานได้เกิดแล้วปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแต่ตศกัณในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่า นิพพานนี้คืออริยสัจที่เป็นความดับทุกข์นิโรธาสัจหมายถึงการดับสนิทของตัณหาซึ่งจะเป็นเหตุให้สังขารทุกหมดสิ้นไปด้วยพระพุทธองค์ตรัสว่าสัจญานในนิโรธาสัจคือปัญญาที่รู้ว่าการดับตัณหานี้คือนิโรธซึ่งเป็นสภาวะดับรูปนามทั้งหมดด้วยการดับตัณหา สัจญานี้เกิดขึ้นทั้งในเวลาก่อนหลังและในขณะบรรลุโลกุตระมักกล่าวคือพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้สัจญานี้ด้วยพระองค์เองโดยพิจารณารู้ก่อนการบรรลุโสดาปติมักแต่พุทธสาวกจะต้องเรียนรู้นิโรธสัจจากบุคคลอื่นการรู้เห็นสัจญานในขณะบรรลุโลกุตระมัก เริ่มจากขณะที่ได้บรรลุสังขารูปเปกขายาแล้วปัญญาจะพัฒนาขึ้นมาตามลําดับโดยอย่างเห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามอย่างใดอย่างหนึ่งจนในที่สุดรูปนามอันเป็นอารมณ์ที่บุคคลกําหนดรู้และจิตที่รับรู้ได้เข้าสู่ภาวะที่ดับสนิทในขณะนั้นบุคคลผู้ที่เห็นประจักษ์ความดับไป ของรูปนามทั้งหมดก็ดับตันหาในรูปนามได้ดังนั้นจึงเรียกความดับของตันหาว่านิโรธสัตว์การทำให้แจ้งนิโรธสัตว์ด้วยมรรคยา น, นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัตว์ชิกิริยะปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการกระทำให้แจ้งแม้ในขณะที่เจริญวิปัสสนาก็มีการแทงตลอดอย่างนี้เกิดขึ้นได้ โดยการเจริญสติะระลึกรู้สภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นขณะนั้นตัญหาที่เพลิดเพลินสิ่งที่เห็นย่อมดับไปไม่เกิดขึ้นกิจจยานที่รู้ว่าต้องรู้แจ้งนิโรธศัสตร์มีข้อความดังนี้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 ในเนี่ยโรทัสั์โดยรับรู้ความดับรูปนามเป็นอารมณ์ด้วยปัญญาในอรหัตตมรรคและอรหัตตผลนับโพธิบัลังหลังจากนั้นทรงพิจารณาทบทวนว่าได้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วโดยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดวงตาเห็นธรรมได้เกิดแล้วยานได้เกิดแล้ว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 ปัญญาได้เกิดแล้ววิชาได้เกิดแล้วแสงสว่างได้เกิดแล้วแกตถาคตในธรรมที่ไม่เคยสดับมาก่อนว่าเราได้อบรมอริยสัจคือมรคนั้นแล้วอริยสัจนี้มีชื่อเต็มว่าทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาคือข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ในคมภีปฏิสัมพิามรคและอัตถถาทั่วไป เรียกชื่อสั้นๆว่ามัคขสัตต์ความเข้าใจในข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าสัจจยานเกิดขึ้นก่อนหลังและขณะบรรลุมัคผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมัคผลจะต้องเรียนรู้มรคษสัตต์ด้วยการอ่านหรือการฟังการเรียนรู้เกี่ยวกับมรคษสัตต์ดังกล่าวจะทำให้น้อมจิตไปในการเจริญมาคดังในคมภีอัตถกถากล่าวว่า มัคคสัตดีเลิศน่าปรารถนาหน้าพอใจดังนั้นหน้าที่เบื้องต้นที่ควรทำคือการน้อมจิตไปในการปฏิบัติตามที่ได้เรียนรู้ก็ถือว่าได้ทำกิจคือการอบรมมากไว้ก่อนแล้วแม้นิโรธสัตย์จะเป็นสิ่งที่ปุถุชนไม่สามารถรู้ได้โดยตรงเพราะเป็นสภาวะที่ยังไม่ได้เข้าถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับนิโรธสัต์ โดยน้อมจิตไปว่านิโรธสัตดีเลิศหน้าปรารถนาหน้าพอใจก็เป็นการทากิจคือการรู้แจ้งนิโรธสัตไว้ก่อนเช่นเดียวกันการรู้ว่ามรรคสัตเป็นธรรมที่ควรจเจริญให้มีขึ้นในตนเรียกว่ากิจยานเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรเป็นครั้งแรกการอบรมมรกเพื่อให้บรรลุพระนิพพาน เป็นกิจยานที่ผู้ปฏิบัติจะต้องพัฒนาด้วยการปฏิบัติของตนเองเรียกว่าภาวนาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการอบรมการเจริญมรรคซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคาสอนของพระพุทธองค์แต่เราจะพัฒนามรรคโดยตรงไม่ได้เพราะว่าการพัฒนามรรคต้องเริ่มต้นด้วยการเจริญวิปัสสนามรรคก่อนการเจริญวิปัสสนามรรคคือการกาหนดรู้ทุกขัสัจ ซึ่งได้แก่อุปทานขัคารที่ได้อธิบายไว้แล้วโดยพิสดารในบทที่4ประกอบด้วยการกำหนดรู้อารมณ์ที่ปรากฏทางทวารหซึ่งจะทำให้เกิดยานทัศนะที่รู้เห็นสภาวะของรูปนามตามลักษณะรูปนามนั้นๆต่อมาจะรู้เห็นว่ารูปกับนามเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเมื่อปฏิบัติธรรมต่อไป ผู้ปฏิบัติธรรมก็จะรู้เห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของรูปนามทำให้อนุมานรู้ว่ารูปนามไม่เที่ยงหลังจากนั้นก็จะรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามส่งผลให้เห็นประจักษ์ว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นสภาวะธรรมตามที่เป็นจริงเช่นนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในขณะเดียวกัน สัมมาสังกัปปะและองค์มากอื่นๆก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้นด้วยวิธีการปฏิบัติโดยสังเขปคือในขั้นต้นผู้ปฏิบัติธรรมควรจะกำหนดรู้สภาวะพองยุบของท้องเป็นหลักก่อนหากในขณะที่สังเกตสภาวะพองยุบอยู่นั้นความคิดฟุง้งซ่านได้เกิดแทรกเข้ามาก็ควรกำหนดรู้ความคิดนั้น หากรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยคันหรือร้อนก็ควรกําหนดรู้ความรู้สึกเหล่านั้นที่ปรากฏชัดเจนอีกทั้งควรกําหนดรู้อากัปเกียริยาทางร่างกายในขณะทำเอริยาบทนั้นๆถ้าสภาวะเห็นได้ยินปรากฏชัดเจนก็ควรกําหนดรู้สภาวะเหล่านั้นอีกด้วยทุกขณะที่ผู้ประความเพีย ได้กําหนดรู้สภาวะธรรมตามเป็นจริงอยู่อย่างนี้เป็นการเจริญสัมมาทิฏฐิและพัฒนาวิปัสนามัคเมื่อวิปัสนามัคแก่กล้าขึ้นก็จะพัฒนาเป็นโล ก, กุตระมัคดังเช่นการกําหนดรู้อุปทานขาันตามความเป็นจริงจึงเป็นการพัฒนามัคนั่นเองมีคนจํานวนมากที่เคยเข้าใจผิดว่าการเรียนรู้จากตําราว่าขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ตัวตนเท่านี้ก็เป็นการเพียงพอแล้วต่อมาเมื่อได้ปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่และรู้เห็นสภาวะธรรมตามเป็นจริงจึงได้ทราบว่าความเข้าใจเดิมนั้นไม่ถูกต้องคนเหล่านี้แม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญปริยัตแต่หากไม่ได้ปฏิบัติด้วยการกาหนดรู้สภาวะเห็นได้ยินเป็นต้น ตามที่ปรากฏจนกระทั่งเข้าใจทุกศาสตร์ตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่อาจกล่าวว่าเขาทำกิจในการพัฒนามรคให้สำเร็จได้เราควรปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ว่าอริยมรคมีองค์8เป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญด้วยการกำหนดรู้รูปนามที่ปรากฏชัดในปัจจุบันขณะและควรจำไว้ว่ากิจยาน อันเป็นการรู้หน้าที่ซึ่งควรทําเกี่ยวกับมรรคสัตว์เป็นความรู้ที่จะต้องศึกษามาก่อนแล้วจึงเริ่มเจริญวิปัสสนาด้วยการกําหนดรู้อุปทานนักขัทั้งหซึ่งเป็นทุกขสัตว์และเมื่อวิปัสสนามักแก่กล้าขึ้นก็จะพัฒนาเป็นโลกุตระมรคที่กระทําพระนิพพานให้แจ้งกัตยานซึ่งเป็นปัญญาที่รู้ว่า ได้ทำกิจเกี่ยวกับมรรคเสร็จแล้วนั้นเกิดขึ้นจากการพิจารณาทบทวนด้วยปัจจวคขณะยานหลังจากทรงบรรลุอรหัตตมรรคและอรหัตผลแล้วกล่าวโดยสรุปยานสามที่เกี่ยวกับอริยสัจสี่รวมทั้งหมดมี12ประการดังนี้ 1. สัจญานปัญญาที่รู้เห็นอริยสัจสี่ก่อนหลังและขณะบรรลุโลกุตระมรรคกล่าวคือ ก่อนการบรรลุมรรคความรู้ว่านี้คือทุกขศาสตร์สมุทยัยศาสตร์นิโรธศาสตร์มรรคศาสตร์จัดเป็นสัจจญาณที่ได้มาจากการศึกษาและการสดับตรับฟังสําหรับผู้ที่เป็นสาวกในวงเล็บสุตตมยปัญญาในขณะบรรลุมรรคสัจจญาณในนิโรธศาสตรท์ที่เกิดขึ้นเป็นการรู้แจ้งโดยประจักษ์ด้วยตนเอง ส่วนสัจญานในทุกขสัตต์สมุทยสัตต์และมรคสัตต์ก็แจ่มแจ้งในขณะบรรลุมรคหลังจากการบรรลุมรคเป็นสภาพที่ประจกักษ์ชัดด้วยการพิจารณาทบทวน 2. กิจยาณปัญญาที่รู้ว่าทำใดควรกำหนดรู้ทำใดควรละทำใดควรทำให้แจ้งทำใดควรเจริญการรู้กิจที่ควรทำในอริยสัจสีนี้ มีได้ก่อนการบรรลุมรรคกล่าวคือความรู้ว่าทุกเป็นธรรมที่ควรกาหนดรู้สมุทัยเป็นธรรมที่ควรละนิโรธเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งเป็นกิจจยานที่เกิดขึ้นก่อนจะเจริญวิปัสสนาและในขณะเจริญวิปัสสนา 3. กตยานปัญญาที่รู้ว่ากิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว เช่นเดียวกับเวลาที่เราทำงานทางโลกเสร็จและรู้ได้ว่างานนั้นเสร็จแล้วในการปฏิบัติธรรมเช่นเดียวกันเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้ทากิจที่ควรทำคือการกาหนดรู้การละการทำให้แจ้งและการทำให้เจริญจนสำเร็จเขาก็จะรู้ได้ด้วยการพิจารณาทบทวนซึ่งเรียกว่ากัตตยาน ยานทัศนะทั้งส2องอย่างนี้คือสัจญานสีกิจจยานสีและกัตยานสีที่ได้อธิบายมานี้จำแนกตามประเภทของอริยสัตว์คือหนึ่งทุกขสัตว์เป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ให้เข้าใจในสภาวะของรูปนามจนกระทั่งรู้เห็นไตรลักษณ์อันเป็นความจริงของชีวิตความเข้าใจทุกอย่างถูกต้องเรียกว่า ปริญญาปฏิเวธคือการแทงตลอดด้วยการกำหนดรู้สสมุทัยศัตร์เป็นธรรมที่ควรละการละสมุ ท, ทยัยเรียกว่าปหานาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการละ 3. นิโรธศัต์เป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้งการทำให้แจ้งนิโรธศัตร์เรียกว่าสัจฉิกิริยาปฏิเวท คือการแทงตลอดด้วยการทำให้แจ้ง 4. มักษัตริย์เป็นธรรมที่ควรเจริญการทำมักให้เจริญนั้นเรียกว่าภาวนาปฏิเวทคือการแทงตลอดด้วยการอบรมการรู้เห็นอริยสัจ4ี่พร้อมกันในขณะบรรลุธรรม ในขณะที่บรลลูโลกุตระมักการรู้เห็นนิโรธศาสตร์ย่อมเป็นไปโดยการทําให้แจ้งส่วนสัจจะอีกสามอย่างนั้นเป็นการรู้โดยการทํากิจที่ควรทําให้สําเร็จด้วยการกําหนดรู้การละและการทําให้เจริญดังคัมภีอัตถคถากล่าวว่าการแทงตลอดในสัจจะสย่อมมีได้โดยหน้าที่คือการกําหนดรู้ ลและการอบรมส่วนในนิโรธศัตร์มีการแทงตลอดโดยรับเอาเป็นอารมณ์เมื่อผู้ปฏิบัติธรรมรู้เห็นสัจจะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยโลกุตระมักปฏิเวททั้งสี่ก็เป็นอันสำเร็จไปพร้อมกันตามที่กล่าวมาแล้วนี้ในทํานองเดียวกันในขณะที่ผู้ปฏิบัติกำลังเจริญวิปัสนาโดยกาหนดรู้ ทุกขสัตว์อยู่นั้นกิจที่เกี่ยวกับสัจจะอย่างอื่นก็จะถูกปฏิบัติไปพร้อมๆกันเพราะเมื่อมีการกำหนดรูรปนามและเข้าใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนอารมณ์นั้นจะไม่ก่อให้เกิดตัญหาซึ่งเป็นผลจากความหลงผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนจึงเป็นการละสมุทยัย อาวิชาที่หลงผิดว่าเที่ยงเป็นสุขและเป็นตัวตนนี้จัดเป็นตัดทางขาปหานะคือการละได้ชั่วขณะพร้อมกันนั้นเจตนาที่จะทำกรรมในวงเล็บสังขารและการรับรู้ในวงเล็บวิญญาณเป็นต้นให้ดับไปด้วยจึงเป็นการทำนิโรธให้แจ้งชั่วขณะ เรียกว่าตทังคณิโรธแม้อริยมรรคที่มีองค์8ดที่อย่างรู้เห็นรูปนามว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนก็ถูกพัฒนาให้เจริญขึ้นทุกขณะที่มีการกาหนดรู้เรียกว่าภาวนาปฏิเวทดังนั้นในขณะที่เจริญวิปัสสนากำหนดรู้ทุกขสัตว์อยู่นั้นกิจในสัจจะอีกสามอย่างที่เหลือ ก็ถูกปฏิบัติไปด้วยในขณะเดียวกัน